ก็ทรงมีความเพียรชอบในการทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกเหล่านี้คือพระคะธรรมในโลก แต่ในที่นี้จะได้แสดงอธิบายพระคัธรรมโดยปริยายที่ต่อเนื่องกับความหมายว่าหักกิเลส ดับกิเลสหักใจดับใจดังที่ได้แสดงแล้วในการหักหรือดับกิเลสหักหรือดับใจนั้น ก็จะต้องประกอบด้วยพระคธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องหักเป็นเครื่องดับอันเป็นธรรมะที่ทำให้สามารถ หักหรือดับได้อันนับว่าเป็นพระธรรมส่วนเหตุและเมื่อหักหรือดับได้แล้วก็ในประสบผลเป็นพระธรรมส่วนผล กันั้นจึงควรทำความเข้าใจโดยปริยายวิธีปฏิบัติเป็นเครื่องหักหรือเป็นเครื่องดับอันนับว่าเป็นพระธรรมสืบต่อไป ได้แสดงอธิบายแล้วว่าในการหักหรือดับนั่นจะต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาและสตินั้นก็รวมสัมปชัญญะเข้ามาด้วยและ ในการเจาะแทงนักก็คือจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเจาะแทงโมหะที่ปกปิดปัจจุบันธรรมมีให้ปรากฏ อันโมหะนี่จะกล่าวว่าเป็นตัวมายาของจิตใจก็ได้มายานั่นก็คือเจ้าเล่ ซึ่งเป็นเครื่องปกปิดสัจจะที่เป็นตัวความจริงเมื่อกิจใจนี้ยังประกอบด้วยมายาซึ่งเป็นเครื่องปกปิดสัจจะที่เป็นความจริง สัจจะก็ไม่ปรากฏจึงจะต้องเจาะตัวมายาของจิตใจนี้ลงไปอันได้แก่โมหะนั่นเองแต่ว่าในการเจาะนั่นจะใช้วิธีเหมือนอย่างเจาะวัตถุไม่ได้ หรือในการหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจนั้นจะใช้วิธีเหมือนอย่างหักหรือดับวัตถุเช่นไม้หรือไฟของโลก นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดว่าจะหักอิเลสหรือคิดว่าจะหักใจเพียงแต่คิดอย่างนี้ ก็ไม่สามารถที่จะหักใจหรือหักกิเลสได้ทั้งที่ต้องประสบความทุกข์กระสับกระส่ายเดือดร้อนไม่ผาสุกเพราะกิเลสมีตันหาอุปาทานเป็นต้นดังกล่าวแล้ว แต่ก็ไม่สามารถติ่จะดับความทุกข์ได้หักกิเลสไม่ได้หกักใจไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าต้องแพ้กิเลสแพ้จิตใจของตนเองต้องทนทุกข์ทรมานต้องเดือดร้อน และก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก็กล่าวได้ว่าที่เป็นดังนี้เพราะขาดสัมมาวยมายามะคือความเพียรชอบเมื่อขาดความเพียรชอบก็ประสบผลตามที่ปรารถนา คือต้องการความดับทุกข์ไม่ได้จึงขาดกามคือความสำเร็จความที่ปรารถนาและเมื่อต้องประสบความทุกข์สิริคือความ สง่างามของร่างกายของจิตใจก็หายไปก็เสื่อมไปยศคือความที่ภาพภูมิใจอันเป็นยศภายในก็ลด ลงไปเสริมลงไปธรรมะที่เป็นกุศลกรรททั้งหลายแม้ในขั้นสามัญไม่ต้อ ง, ง้องไม่ต้องถึงโลกุตตรธรรมในขั้นสติ ขั้นสมาธิขั้นปัญญาก็เสื่อมไปอิตริยะคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในจิตใจของตนเองที่เป็นความเป็นใหญ่เหนือกิเลส และความทุกข์ก็ลดลงไปร้ายต้องอยู่ใต้อำนาจของกิเลสใต้อำนาจของความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าต้องขาดภรพคธรรมทั้งหกข้อดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบต้องมีความเพียรพยายามจับตั้งแต่ปฏิบัติกายวาจาและจิตใจ ให้อยู่ในศีลให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นความปกติกายปกติวาจาปกติใจไม่ให้กิเลสและอารมณ์ดึงไปให้ก่อเจตนาคือความจงใจในอันที่จะประพฤต กายกรรมวิญกรรมมนกรรมเป็นการก่อภัยก่อเวรทั้งหลายและเมื่อทำให้กายวาจาใจเป็นศีลขึ้นดังนี้ด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบ ก็ย่อมจะเป็นพื้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยิ่งขึ้นคือสมาธิต้องพยายามให้มีส ม, มายวายามะความเพียรชอบในการทำสมาธิแม้ว่าจิตใจจะ เหนื่อยหน่ายอ่อนแอยอดท้อก็ต้องพยุง จ, จิตใจพยายามที่ทำสมาธิคือให้ใจรวมเข้ามาจะด้วยการฟังธรรมะ ไม่อยากฟังก็ต้องพยายามฟังด้วยการอ่านธรรมะไม่อยากอ่านก็พยายามอ่านหรือด้วยการสวดมนต์ให้จิตใจนี้สวดมนต์ด้วยพร้อมกับวาจาหรือว่าไม่เปล่งวาจาก็นึกไปในใจ พอสำคัญต้องให้ใจสวดให้ตั้งอยู่ที่หมดที่สวดแม้จะรู้ความบางไม่รู้ความบางก็ไม่เป็นไรต้องการให้จิตใจรวมหรือว่าทำสมาธิในกรรมฐาน ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นอนาปานสติกายกตาสติธาตุกรรมฐานหรือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมหรือจะเพ่งกะสิน ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เพื่อให้ใจรวมเข้ามาเป็นสมาธิและเมื่อใจมีสมาธิก็หมายความว่าใจไม่ฟุ้งออกไปถึงอารมณ์อดีตหรืออนาคต รู้อยู่ในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมก็แปลว่าเป็นการที่เจอกแทงมายาหรือโมหะหรือว่าอารมณ์ที่ปิดบังปัจจุบันธรรมให้เห็นปัจจุบันธรรม อันนี้แหละสำคัญมากผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้พบปัจจุบันธรรมดังที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าไม่พบปัจจุบันธรรมสมาธิก็ไม่ได้เพราะว่า อารมณ์อดีตบ้างอนาคตบางมากำบังปัจจุบันธรรมอยู่โดยจิตนี้ก็เหมือนอย่างล่องลอยออกไปในเรื่องที่ผูกพันใจอันเป็นเรื่องอดีตบ้าง อันเป็นเรื่องอนาคตบงังซึ่งโดยที่แท้แล้วจิตใจนี้ไม่ได้ลองลอยไปข้างไหนจิตใจนี้ก็อยู่ที่จิตใจนี้นี่แหละแต่ว่าดึงอดีตดึงอนาคตมาเป็นปัจจุบัน อันนี้เองที่เป็นเรื่องปกปิดปัจจุบันธรรมก็คือเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทาไม่ให้ไม่เห็นปัจจุบันธรรมและเมื่อไม่เห็นปัจจุบันธรรมใจก็เป็นสมาธิไม่ได้จะนั้นใจที่เป็นสมาธิได้จิตจะต้องเลิกดึงเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเข้ามาปิด ให้จิตนี้โปรง่งอันนี้แหละคือการเจาะแทงเจาะอดีตจเจาะอนาคตลงลงไปจึงจะเห็นปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าออกที่เข้าออกอยู่บัดนี้ก็เป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันธรรมขั้นสมาธิ และในขั้นสมาธินี้ก็ต้องได้ปัจจุบันธรรมดังนี้จิตยังจะเป็นสมาธิถ้าไม่ได้ปัจจุบันธรรมดังนี้จิตก็ไม่เป็นสมาธิและเมื่อไม่เป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาไม่ได้เพราะว่าเมื่อปัจจุบันธรรมไม่ปรากฏ ลักษณะของปัจจุบันธรรมที่เป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ปรากฏจึงไม่อาจจะเห็นไตรลักษณ์หรือว่าเห็นเกิดดับซึ่งเป็นที่ตั้งของปัญญาได้จะปฏิบัติอย่างไรก็เห็นไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องได้สมาธิก่อนคือได้ปัจจุบันธรรมที่เป็นขั้นสมาธิยกตัวอย่างในลมหายใจเขาออกรังกล่าวมาแล้วข้อนี้เป็นข้อพื้นพื้นธรรมดาเมื่อฟังให้ดีก็จะเข้าใจ เมื่อมีสัมมาวายามะอยู่แล้วถึงยางไรก็ต้องเจาะแทงได้ทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นได้และเมื่อทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นได้ mm. ก็จะทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นได้ทำมิมุตให้มันเกิดขึ้นได้ mm. ตามภูมิตามท่านต้องการปฏิบัติและ จะต้องกล่าวถึงเรื่องการดับใจหักใจที่ได้แสดงมาแล้วเขาประกอบเขาด้วยในตอนนี้พระพุทธเจ้าเองก็ในตรัสแสดงเรื่องหักใจดับใจ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบปัญหาอาชิตมานบในคำถามนั้นอาชิตมานบ ก็ในกราบทูลถามว่าสติปัญญาและนามรูปดับไปในที่ไหนพระองค์ก็ตรัสตอบว่านามรูป กำลัดับไปไม่เหลือเพราะความดับแห่งวิญญาณคำวมวิญญาณในที่นี้พูดง่ายๆในภาษาไทยก็คือใจนั่นเองเพราะความดับใจหรือหักใจ แต่พระพุทธภาสิตใช้ว่าดับวิญญาณซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าดับใจเพราะดับใจได้นามารบทก็ดับไม่เหลือสติปัญญาก็ดับไปเช่นเดียวกัน ในข้อนี้ก็น่าสงสัยว่าทำไมสติปัญญาจะต้องดับด้วยก็จะต้องยกเอาข้อที่พระอานนท์ท่านในแสดงเอาไว้เมื่อถอดใจความ ก็ถอดใจความด้ว่าเหมือนอย่างว่าผู้ที่มาสู่ที่นี้เมื่อมาก็ต้องใ ช, ช่ทันทะ ความพอใจวิริยะความเพียรอิตตะความตั้งใจวิมังสาความใคร่ครวนพิจารณามาครั้นมาถึงที่นี้แล้วคันทะวิริยะอิตตะวิมังสาก็ดับคือคันทะวิริยะอิตตะวิมังสา ที่ใช้ในการมาเมื่อการมาได้มาถึงตามมุ่งหมายแล้วทันทางวิริยะกิตตวิมังสาก็เป็นอันว่าดับเรานี้เมื่อจะกลับในการกลับ ก็ต้องใช้ชั้นทะวิริยะกิตตวิมังสาเมื่อกลับไปถึงที่มุ่งหมายแล้วชั้นทะวิริยะกิตตวิมังสาที่ใช้ในการกลับก็ดับไปนันแสดงดังนี้เพราะฉะนั้นแม้ท ร, รมาปฏิบัติ เป็นสติปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อที่จะดับใจหรือหับใจก็ต้องใช้สติปัญญาเมื่อหับใจดับใจได้สติปัญญาที่ใช้เพื่อที่จะหับเพื่อจะดับก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่ก็ดับไป นามารูปซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติเพื่อดับใจเมื่อดับใจได้นามารูปที่ใช้เพื่อดับใจนั้นก็ดับไปสติปัญญาที่ใช้เพื่อจะดับสติปัญญาเองก็ดับไป เป็นสัจจะคือความจริงอยู่ดังนี้เพราะดับใจไม่ได้ในเรื่องนั้นนามาูปก็ย่อมเกิดในเรื่องนั้นแต่เมื่อดับใจในเรื่องนั้นได้ นามารูปในเรื่องนั้นก็ดับได้เพราะฉะนั้น <c oughs> จึงต้องขอเข้าใจคำว่านามารูปนี้อันมีความหมายถึงนามารูปที่เกิดขึ้นในใจหรือจากใจ ถ้าพูดดังนี้เป็นการพูดภาษาธรรมะจะทำให้เขาใจา ย, ยากแต่ว่าถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเราเกิดขึ้นจากใจดังเช่นว่าใจคิดไปถึง ลูที่เห็นเมื่อเช้านี้เสียงที่ได้ยินเมื่อเช้านี้ก็คือตัวเรานี่เองเห็นตัวเรานี้เองได้ยินเมื่อใจน่วงไปถึง สิ่งที่เห็นเมื่อเช้าได้ยินเมื่อเช้าก็คือตัวเราเห็นตัวเราได้ยินตัวเราจะไปกับจิตอยู่เสมอจิตไปที่ไหนตัวเราก็ไปที่นั่นแต่ว่าตัวเราจริงๆที่เป็นส่วนหยาบนั้นไม่ได้ไปไหนเหมือนอย่างในบัดนี้ ตัวเราที่เป็นส่วนหยาบคือที่เป็นนามรูปส่วนหยาบนี้นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าใจไปใจไปที่นั่นใจไปที่นี่แล้วเมื่อใจใจไปตัวเราก็ไปด้วยก็ไปเห็นรูปที่เห็นเมื่อเช้า ไปได้ยินเสียงที่ได้ยินเมื่อเช้าตัวเราก็าไปเห็นไปได้ยินเป็นตัวเราที่เป็นตัวในที่ไปกับจิตและเมื่อตัวเรานี้ไปกับจิตแล้วตัวเราที่เป็นร่างกายส่วนหยาบหรือเป็นรูปเป็นนามส่วนหยาบที่นั่งอยู่ที่นี่ ก็กลายเป็นหูหนวกเขลนว่าในขณะที่กำลังพูดอยู่นี่ท่านผูกฟังใจไม่ได้ฟังแล้วว่าใจ